สวรรค์เท่านั้นที่จะรู้ได้อย่าลืมคำสั่งของระพินหัวหน้าคณะเดินทางร้องเตือนเพื่อนของเขามาไอตัวใหญ่ที่สุดกระโจนตดดูมลงมาบนพุ่มหวายแล้วก็ไกวตัวต่อมาบนโขดหินที่เกาะเขียวไปด้วยตะไคร้และเฟิร์นก้อนหนึ่งยืนสี่ขากระโดดโครมโครมพร้อมกับเสียงกึกก้องจากการขูดคำลามสกัดหน้าทิศทางที่ระพินกาลังนำกระบวนเกวียน9รุดไปห่างประมาณ29 อีกหลายตัวในกลุ่มเบื้องหน้าก็พากันตายจากต้นไม้ลงมาเป็นแถววิ่งพลานพรานใหญ่ตาจับนิ่งอยู่ที่จ่าฝูงตัวนั้นก้าวเนอปรีเข้าไปที่มันโดยไม่หลีกอีกสามสี่ตัวก้าวจะถึงตัวมันสายโครงตัวอย่างรวดเร็วหลอกล่อจะแยะเขี้ยวอ้าปากแล้วก็เห็นแผลวลงไปวิ่งวนอยู่กับพื้นใบไม้แห้งปลิวกระจายหกเมรตีรังกา คอยเวียนดักอยู่เบื้องหน้าของเขาพร้อมกับเสียงร้องคำรามสำทับขวัญอยู่เช่นนั้นและพินจ้องตาไม่กระพริบก้าวรุดเข้าใส่โดยไม่หยุดเจ้าพวกบริวารก็แห่กันก็ห้อมล้อมรอบด้านเขาและบุญคำซึ่งในขณะส่องปากกระบอกปืนเตรียมอยู่ทุกฝีก้าวที่พรานใหญ่กับบุญคำเดินไปมันก็คอยตามดักหน้าดักหลังอยู่เช่นนั้นพอใกล้จะประชิด ต, ตัวก็เพนห่างพ้นรัศมีไปดัก ทำท่าแยกเขี้ยวยิงฟันอยู่อีกครั้งแล้วครั้งเล่าพวกที่อยู่บนกิ่งไม้ก็ช่วยกันขยอ้อมกิ่งโครมครามยิ่งขึ้นบรรยากาศคนน้นแน่นลงทุกขณะเอทายใจพานใหญ่ของเราไม่ถูกเลยแฮะปืนมีอยู่ในมือแต่กลับถือดาบนั่นเขาจะเล่นจิตวิตวทยาอะไรกับไอ้หนุมานนั่นชัยยันพึมพำแหบๆเฉยไว้ดูเขาไป หน้าที่ของพวกเราก็คือปฏิบัติตามคำสั่งของเขาอย่างเคร่งครัดเท่านั้นรพิน ร, รู้จักพวกมันดีกว่าเราสิ่งที่เขาบอกไว้ก็คือทําไมจจำเป็นจริงๆเขาไม่ต้องการให้เกิดปะทะขึ้นเชิฐาพูดเบาที่สุดจ้องภาพอันเดินตรุยไปเบื้องหน้าของรพินและกลุ่มทรโมน์ไพรที่แวดล้อมอยู่ ร, ร, รอบกายโดยไม่กระพริบดาลินในขณะนี้แทบจะไม่ยอมหายใจเลยตาของหลอนลืมโพงหน้าขาวซีด พอเขาเขตป่าหวายสลับไปกับป่ารวกเจ้าจ่าฝูงก็เห็นพรวดเข้าใส่ระพินอย่างรวดเร็วจอมพรานสปริงตัวถอยฉ า, ขากขาเก่งเดินป่าของเขาตรงบริเวณหัวเขา่าขาดคว้างออกด้วยเขี้ยวอันคมกริบที่ขยํำกระชากและทันทันกันกับที่มันเผ่นเข้าใส่เขานั่นเองเท้าขวาที่หุ้มด้วยคอมแบทของพรานใหญ่ก็เหวี่ยงโครมเข้าไปที่สีข้างของมันเสียงพักสนัน่น เจ้าทมร้ายกระโจนพระออกนอกทางไปแยกเคี่ยวร้องคำรามล่่นอย่างดุร้ายโกรธแค้นอยู่ริมพงรกเศษผ้าจะขาเก่งๆของเขายังติดอยู่ที่ปากของมันระวังนายมันเอาแน่เสียงบุญคำร้องลั่นประทับปืนแต่รรบพินยกมือโบอกไว้โดยไม่หันกลับมาเป็นสัญญาณให้ทุกคนอย่าเพิ่งยิงขบวนเกวียนทั้งหมดชะรอยุดลงในทันทีนั้น จาฝูงตัวเดิมคลานสี่ขาจังก้ายืนหน้าเลิกคิ้วค่อยๆ ย, ย่างสามขุมเข้ามาหาเขาอีกแล้พินแกว่งปลายดาบอันแหลมคมวนล่อหลอกมันอยู่เบื้องหน้ามาเดินเลี่ยงสรายโครงไปมามองที่ปลายดาบและเขม่นมองหน้าเขาสลับกับทําเสียงครอกๆหยู่ในลาคอเจ้าลูกฝูงใจกล้าอีกตัวหนึ่งพุ่งเข้าใส่บุญคําซึ่งเย็นคุมเชิงอยู่เบื้องหลังพรานใหญ่ไปเล็กน้อยพรานพื้นเมืองอาวุโส สะบดออกมาพร้อมกับเวียงผ่านท้ายปืนลูกซองเต็มเวียงกระทบตัวมาดังอักกระเด็นหวือออกไปพร้อมกับเสียงร้องเจ๊ยกไอตัวอื่นๆฮอกห้าเข้ามาใกล้แต่ก็ยังไม่กล้าบุกเข้าถึงตัวได้แต่ ว, วิ่งพรานวนเวียนอยู่เช่นนั้นเจ้าธโมนหัวหน้าบัดนี้ยืนขึ้นสองขาส่วนหัวของมันสูงขนาดอกของระพินแผงอกกว้างใหญ่ก้ามเป็นมัดขนลุงลังไปหมด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 เสียงร้องเชียกด้วยความเจ็บปวดดังก้องไปทั้งป่าแทบว่าจะกรบเสียงคู่คำรามคร่อกคร่าอันดังอยู่ทั่วไปในขณะนี้ใบาดาบอันคมกริบเฉือนอุ้ง ม, มือของมันเข้าให้แล้วอย่างถนัดทนีเพราะการจับกระช้าของมันเองเลือดทนลักจ้าออกมาแดงฉานมันร้องกึกก้องอยู่เช่นนั้นกระโดดพรวดพราดถอยออกห่างแบและกำมือข้างนั้นสลับกันอย่างรวดเร็วแล้วกม้มลงมองวิ่งขยกสามขา อีกมือหนึ่งชูห้อยไปยืนคู่คำรามรถคนไปกับเสียงร้องด้วยความเกลี้ยกล่ดโกรธแทน้นอยู่ที่จอมปลวกใหญ่ไม่ห่างออกไปจากเบื้องหน้าเท่าไรนะักระพินเดินตามเข้าไปอีกโบกมือทำสัญญาณให้ขบวนเกวียนเคลื่อนที่ตามเขาพอทั้งหมดเริ่มคืบหน้ามันก็กระโจนตายขึ้นไปยืนจังก้าอยู่บนยอดจอมปลวกอันปกคลุมด้วยชุ่มคุมซุ้มคอย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 กำปนากดกึกกก้องของเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นเป็นปฐมมะเลิกในบัตรนั้นมันคำรามมาจากเครมิงตันในมือของหม่อมราชวง์เชษฐาเวราลิตผู้ซึ่งไม่สามารถจะสะกดใจทนดูเหตุการณ์หน้าหวาดเสียวต่อหน้าต่อตานั้นอีกต่อไปได้พรานใหญ่ของเขาจะใจเย็นสักเพียงใดก็ตามแต่บัดนี้เขาเย็นต่อไปไม่ได้อีกแล้วเพราะเลือดในกายกาลังจะจับกันเป็นก้อนพร้อมกับเสียงตูมนั้น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 พวกมันทั้งหมดพร้อมใจกันเฮโรเข้าใส่ดาหน้าก็มาอย่างดุร้ายกับหายเลือดโดยไม่ชะงักหรือหวาดหวั่นต่อความวายปรานหรือเสียงกึกก้องของปืนเลยที่ตายก็ตายไปที่เหลือก็แยกเขี้ยวกระโจนเข้ามามันเป็นการสัประยุทธ์แบบตรุมบอลที่หม่อมณฑวงเชษฐายอมรับว่าน่าสยดสยองกว่าการสงครามนองเลือดครั้งใดๆทั้งสิ้นระหว่างมนุษย์กับสัตว์ซึ่งไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าจะได้พบ หรือเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในครั้งนี้หม่อมราชวงศ์หญิงดาดินผู้แต่ไหนแต่ไรมาเคยเป็นคนซึ่งมักจะลั่นกระสุนเร็วกว่าทุกคนกลาบกลายเป็นคนสุดท้ายไปหล่อนยืนถือปืนตะลึงตัวสั่นอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งชายยันกับเชิดาร้องเตือนสุดเสียงในระหว่างที่ทั้งสองตะลีตะเหลือกยัดกระสุนชุดใหม่อยู่หล่อนจึงเหนี่ยวไกออกไปที่ยิบแทบจะเรียกว่าไม่ได้เลงเลย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 ไม่เพียงจะถูกลิงกระเด็นดิ้นวายปรานไปเท่านั้นบางเม็ดของมันยังปลิวเฉียดบุญคากับรับพินไปอย่างบุดวิดคุณหญิงอย่า ย, ยิงตามมาทางผมพรานใหญ่ตะโกนบอกมาเสียงหลงเมื่อหล่อนสายปากกระบอกปืนซ้ํามาอีกเชษฐาก็ตบปากกระบอกปืนของน้องสาวให้เงยสูงขึ้นในบาดนั้นพร้อมกับรั่นเปียงหล่อนตั้งใจจะ ย, ยิงเจ้าผูดที่กรูกันอยู่ข้างร่างแต่อันเนึ่งมาจากพี่ชายปัสเสียก่อน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 และกระห น, น่ำยิงต่อไปโดยไม่สีจังหวะทุกนัดดูเหมือนจะไม่มีการพลาดเป้าหมายเลยรพินถอยมารวมอยู่หน้าเกียนนี่ชายานร้องบอกกระหืดกระหอบหักสาวเออแฝดกระแทกปลอกกระสุนกระเด็นออกแล้วหยัดใส่เข้าไปล้อมยิงต่อด้วยอย่างดุเดือดรว ด, ด, ด, ด, ดเร็วพลานใหญ่กับบุญคำผลัดกันยิงคุ้มกันคนละชุดแล้วเพ่นถอยมารวมหมู่กันอยู่หน้าเกียนปากกลากหันหลังเข้าหากัน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 ทั้งบนทางเดินและบนเกวียนสัมผานและบางตัวหล่นลงมาเสียบเขาควายที่เสยขึ้นรับพอดีแล้วก็ถูกสลัดลงไปกร้งถุกควายเหยียบย่ำอยู่กับพื้นล้มตายเป็นเบือแต่จะยุติความดุร้ายกัหายเลือดของมันก็หาไม่พวกมันคงทุ่มเทกำลังการโผลเข้าใส่รอบด้านอยู่เช่นนั้นเสียงขู่ตะคอกเสียงกิ่งไม้หักเสียงอื้ออึงของปืนเสียงตะโกนสั่งการฟังสับสนปนเปกันไปหมด มีเสียงลูกหาบทางด้านหลังร้องโวยวายเอตโรกันลั่นบ้างแล้วสแสดงว่าไม่สามารถจะควบคุมสกัดกัก้นสถานการณ์ไว้ได้ปล่อยให้ฝูงลิงเหล่านั้นบุกเข้าได้ถึงตัวไม่มีปัญหาเคียวเล็บของมันกำลังแลกกับลูกปืนอย่างบ้าดีเดือดเช่ดาตะโกนสั่งเร็วปือให้แง่าสายถอนกลับไปคุมและช่วยเหลือทางด้านหลังแล้วพินเองถอยร่นเข้ามาที่แง่าสาย เจ้าตัวหนึ่งกระโจนพรวดลงมาทางเบื้องหลังของหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินพอดีมืออันเหนียวแน่นของมันขยุ้มหมัดที่ไหล่ของหญิงสาวกระชากแต่พลาดไปถูกเสื้อชีขาดควากออกในพริบตามองเห็นแผ่นหลังเปลือยโล่งขาวโปรนดาลินร้องออกมาสุดเสียงชายยันหันขวัมมาพอดีตวัดฟ้าดด้วยพานท้ายนาเข้าหน้าแงาของมันอย่างจังเสียงพลวัลสนั่นพลิกผงะหลุดไปจากเกวียน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 ต่างทิ้งลูกสองคว้าไรเฟินที่วางเรียงเตรียมพร้อมอยู่ขึ้นมาชายยันโยนจุดสอจไปให้ดารินตัวเองชฉวยจุด3030 30, 30, ขึ้นมาในขณะที่เชิดถาก็คว้าจุด 30, 0, 0, 6ามนมันริเกอร์ต่างปล่อยกระสุนออกไปเท่าที่จะจับเป้าหมายตัวใดได้ก่อนโอลลมานระสัมระสายไปทั้งขบวนเกวียนระพินร้องบอกให้นายจ้างของขาระวังการจู่โจมทางเบื้องสูงไว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 เสียงไร่เฟินนัดหนึ่งแผดแหลมลั่นมาจากท้ายขบวนเปรียงเดียวร่างของเจ้าลิงใหญ่ตัวนั้นก็พงะดิ่นกลางอากาศส่งเสียงร้องแหลมยาวฟาดลงมากองอยู่บนพื้นเกวียนตรงหน้าของหญิงสาวพอดีรถพินหันขวับก็เห็นแง่ท า, ายกำลังเปลี่ยนที่หมายการเล็งยิงต่อไปยังตัวอื่นๆอย่างรวดเร็วฉับไวจนแทบไม่น่าเชื่อ ว, ว่าหนุ่มกระเรี่ยงพเนจรจะใช้ไร่เฟินราชสัตว์ของเขากระบอกนั้นได้อย่างช่ำชองถึงเพียงนั้น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 ใครทันดาบก็ดาบล่อกระ น, นัวดงแถบนั้นกลายเป็นสมรภูมิเลือดไปอย่างน่าสยดสยองและวผินร้องตะโกนสั่งให้ทุกคนหนีขึ้นเกวียนมือก็บรรจุกระสุนปล่อยออกไปด้วยความเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดาลินได้สติอีกครั้งก้มลงคว้ากระสุนไร่เฟิลอนจุสองเจขึ้นมาบรรจุมือไม้สันหลองบรรจุจนเต็มแล้วก็หันไปบรรจุปืนทุกกระบอกที่หมดกระสุนหล่นอยู่กับพื้นเกวียนจนครบ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 ซึ่งมา่านกระสุนลูกปลายเบอร์หนึ่งแผ่รัศมีกว้างขวางโปรยปลายได้มากกว่าแม้จะได้ในอนุภาคประหัตประหารก็สร้างบาดเจ็บได้อย่างทั่วถึงคราวนี้แทนที่จะเป็นนัดระตัวดิ้นอยู่กับที่ก็กลายเป็นนัดละเจ็ดแปดตัวร้องเจียกก๊ยบชักกระจายกันออกไปไม่เป็นซําเลือดสาดโชกถึงไม่ตายก็วิ่งร้องป่าล่าบไปสามารถจะกวาดหรือสกัดกั้นได้ทั้งย่อมหรือทั้งหมู่ไอที่ถูกข้าจางๆก็ชักดิ้นชักงอหมดฤิ์ไปเหมือนกัน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 ขอกระสุนเพิ่มเติมซึ่งหญิงสาวก็โ ย, ยนลูกเบอร์หนึ่งไปให้สามสี่กลองพรานใหญ่นําวิ่งไปโยนแจกจ่ายให้แก่คนของเขาและลูกหาบครั้งแล้วม่านกระสุนลูกปลายอันทียิบก็สาดเป็นสายฝนออกไปรอบด้านกลุ่มไหนหนาแน่นก็กระเจิง้วยศาสตร์ไปทั้งกลุ่มไอ้ที่ไหนเดี่ยวโทนห่างไกลจากตัวอื่นๆก็ม้วนความดิ้นทุรนทุรายสุมทุม่มพุ่มไม้ร่าไปพวกมันเริ่มจะชนะ ก, การโจมตีลงแล้ว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 หรือกระแทกพุ่มไม้ดังอยู่ไม่ขาดสายทุกคนยิงอย่างช่ำมือยิงอย่างเดือดดาลโกรธแค้นครึ่งนาทีต่อมาหลังจากนั้นป่ารอบทิศก็ขย่าวคลืนโครมแตกออกไปเหมือนพายุพัดอีกครั้งเจ้าพวกหนุมาันทั้งหลายเพนทยานห้อยโหนโยนตัวแตกหนีออกไปอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมกับส่งเสียงร้องรั่นไม่มีตัวไหนที่จะเมืงอาจลงมาแยกเขีย้ยวยิงฟันอยู่บนพื้นดินใกล้ๆหรือว่าเกาะขย่าวอยู่บนกิ่งไม้เหนือศีรษะอีก กองทัพของมันพ่ายต่อหารูกปืนเสียแล้วอาจเข็ดไปอีกนานหรือมิฉนั้นก็อาจผูกพยาบาทเตรียมซุ่มบวมพลเพื่อหมายแก้ลาต่อไปเบื้องหน้ายากที่ใครจะทำนายถูกทุกคนระดมยิงตามหลังพวกมันไปอย่างไม่ลดละอีกหลายสิบตัวพลิกเรื่องลงมาจากยอดไม้ในขณะตะกายหนีบางตัวดิ้นตะเกียกตะกายซุกหนีไปตามพงรกเพราะขึ้นต้นไม้ไม่ได้หลายตัวนอนเงาะกองอ้าปากร้องกระพริบตาอยู่ปริบ ป, ปริบ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 จากนั้นทุกคนก็ร้องถามกันแซดค้นหาและสำรวจความเป็นไปของแต่ละคนดารินคว้าเสื้อแจ็กเก็ตของหล่อนมาสวมทับไว้อย่างรวดเร็วปิดแผ่นหลังอันเปล่าโล่งเพราะเสื้อราสัตว์ของหล่อนถูกกระช่าขาดวิ่นไปแล้วสุดตัวลงนั่งกลุมขมับกับพื้นเกวียนเหมือนจะเป็นลมชายยานคงสบดดาอยู่เช่นนั้นกุมศรีรษะป้อยเขาถูกเคี้ยวของเจ้าลิงร้ายขยําทะลุหมวกสกรารลงไปถึงหนังศรีรษะ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 ภายหลังจากสอบถามปรากฏว่าลูกหาบทุกคนถูกกัดมีแผลต่างๆกันคนละแห่งสองแห่งโชคดีที่ไม่มีใครถึงกับสาหัสกันนักนอกนั้นก็มีแผลกันบ้างคนละนิดหน่อยไม่ถึงกับต้องใช้ ย, ยาดาลินลุกขึ้นอีกครั้งภายหลังจากนั่งสงบสติอารมณ์อยู่อึดใจใหญ่หล่อนจัดการฉีดยาและตกแต่งบาดแผลให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนโดยมีแง่ า, ายเป็นคนคอยช่วยเหลือเช่นเดิม เพียง15นาทีหลังจากนั้นผู้ที่บาดเจ็บก็ได้รับการเยียวยาเรียบร้อยคุณเองล่ะพ่อพรานใหญ่นักดาบเอาแผลมาอวดให้ดูหน่อยสิขาขาดไปหรือเปล่าภายหลังจากแต่งบาดแผลให้แก่ลูกหาบคนสุดท้ายเรียบร้อยหล่อนลุกขึ้นยืนหันมาทางจอมพรานแล้วผินสันสีษะมันกัดไม่ถูกเนื้อผมหรอกครับถูกแต่ขากางเกงขาดไปเฮ้อลงอกไปทีเหมือนตายแล้วเกิดใหม่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 กวาสายตามองดูซาของธมูลป่าที่นอนกลิ้งอยู่กาดเกลื่อนนับไม่ถ้วนรอบด้านนั้นแล้วโกรงศีษะถอนใจหันกลับมาจ้องตาพรานใหญ่อีกครั้งขอโทษที่ละเมิดคำสั่งของคุณไปผมทนไม่ไหวจริงๆอีตอนที่มันกระโจนปะทะคุณกลิ้งไปเพอมันจะเพ่งเข้าซ้ำก็เลยตัดสินใจยิงเพราะชื่อว่ายัางไงยังไงเสียเรื่องที่เราจะผ่านมันไปได้โดยไม่ยิงนั้นคงไม่ต้องหวังมันเอาเราแน่ ให้ตายสิยิ่งกว่าสึกซูรูสียอีกขนหัวลุกเลยชายยันร้องพร้อมกับพ่อไหลลงอย่างสยดสยองแล้วก็หันมาทางเพื่อนสาวว่าแต่เราเถอะสึกใหญ่รบกระลิงครั้งนี้เราใช้ไม่ได้เลยมัวจะยืนตะลึงไม่เป็นท่าหัวขโมงของฉันเกือบจะเละไปแล้วเท่าๆกับที่เธอเองก็แทบจะถูกมันหักคอเขายินกันหูดับตับไม้ตัวเองยืนดูเฉยสียงั้นแหละ ฉันยอมรับมันตกใจเกินไปมือตีนเย็นหมดเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หายเลยไม่มีครั้งไหนในชีวิตที่อกสันขวัญหายเท่าครั้งนี้มีอย่างที่ไหนมืดฟ้ามัวดินไปหมดแต่และตัวแยกเคี้ยวยิงฟันขู่ตะคอกมันทําลายประสาทเราก่อนตั้งนานก่อนที่จะโจมตีฉันคิดว่าฉันตายแล้วเสียอีกนี่เรารอดกันมาได้ยังไงก็ไม่รู้ลูกปืนนะสีแล้วพีนแง่ทรายเกิดจันทร์ เสยบุญคำแล้วก็พูกรุกหาบทุกคนถ้าผู้นี้มัวแต่ยืนตัวสั่นอยู่เหมือนเธอป่านนี้ก็เป็นผุยผงชิ้นเล็กชิ้นน้อยกันไปนหมดแล้วตัวเธอน่ะเกือบจะถูกมันขย่ำเสียหลายครั้งถ้าไม่ได้ระพินกับแงาสายยิงสกัดกั้นไว้อ้าวก็เป็นพรานนาทางผ่านคุ้มกันไม่คุ้มครองนายจ้างแล้วจะไปคุ้มครองใครโดยเฉพาะอย่างยิง่งนายจ้างคนนั้นก็เป็นผู้หญิงด้วยหล่อนลอยหน้าบอกก็เราเองล่ะ เสื้อแสงขาดวิ่นเจ็บอะไรบ้างหรือเปล่าพี่ชายถามเคร่งคร้มมองดูน้องสาวคนสวย อ, อย่างเป็นห่วงดาดินส่นศีสะเคราะดีที่มันกระชากติดเสื้อสิก่อนค่ะถูกแค่รอยเล็บข่วนเส็บแสบบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเชษดาถอนใจยาวหันมาทางราพินตกหลถ้าเราจะเจออีกคราวหน้าแน้ะก็หาทางเลี่ยงดีกว่านะรพพินผมว่าไม่ได้เรื่องแน่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 หยุดพักจิตใจหาอาหารกลางวันกินกันก่อนเถอะที่ยังกว่าแล้วทั้งหมดหยุดพักชั่วคราวที่บริเวณแห่งนั้นเองเพื่อหุงหาอาหารปลอกกระสุนานานาชนิดร่นอยู่กราดเกลื่อนเต็มไปหมดไม่ต่ำกว่าส0งร้นัดกลิ่นไอของดินปืนรอยกลุ่นตลบอบอวนไปหมดเพราะการยิงอย่างมโหรานครบทีมชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนนับตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทางซากลิงมหาการ ท, ทั้งหมดที่นอนตายอยู่ทั่วบริเวณรอบด้าน คเนดูแล้วประมาณ100ร้อยเศษนั่นเป็นจํานวนหนึ่งในห้าหรือหนึ่งใน6ของฝูงใหญ่ของมันทั้งหมดทุกคนกินอาหารที่ยังมื้อนั้นพอให้หนักหนักท้องเพื่ออืดพระอมพอดูสําหรับเหตุการณ์สยองที่เพิ่งจะผ่านไปหยกยกเพิ่งจะมาเห็นประโยชน์ของปืนลูกซองชัดๆเอาครั้งนี้เองเชษฐาปา ร, รบขึ้นหลังจากรับประทานอาหารเสร็จขณะสูบบุหรี่เดินตรวจดูซากลิงอันเกลือดกาศเหล่านั้น